สิกขาบทวิพัง92คำว่าอนหนึง่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอหนึง่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าหมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านมีกระท่อมหนึ่งหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสองหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสามหลังบ้างหมู่บ้านมีกระท่อมสี่หลังบ้างหมู่บ้านมีคนอยู่บ้างหมู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้างหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมบ้างหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมบ้างหมู่บ้านที่มีโรงเรือนเหมือนโรงพักโคบ้างแม้สถานที่ที่มีหมู่เกวียนหรือโคต่างพักแรม เกินกว่าสี่เดือนก็ตรัสเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปจาระหมู่บ้านได้แก่เขตที่ชายมีกําลังปานกลางยืนอยู่ที่เสาเขื่อนของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมกว้างก้อนดินไปตกลงหรือเขตที่ชายมีกําลังปานกลางยืนอยู่ที่อุปจาระเรือนของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมกว้างก้อนดินไปตกลงที่ชื่อว่า ได้แก่สถานที่ที่เว้นหมู่บ้านและอุปัชระหมู่บ้านนอกนั้นชื่อว่าป่าที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ได้แก่ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้ไม่สละไม่บริจาคยังรักษาคุ้มครองอยู่ถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นทรัพย์ที่คนอื่นหวงแหนนั้นชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้คําว่าโดยส่วนแห่งจิตคิดจะักคือมีทยจิต ได้แก่คิดจลักคําว่าถือเอาได้แก่ตูชิงช่อเคลื่อนไว้อิริยาบถทําให้ทรัพย์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายที่ชื่อว่าเช่นใดคือหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้างที่ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายได้แก่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าผู้ปกครองประเทศท่านผู้ปกครองมณฑล ท่านผู้ปกครองหมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างท่านผู้ตัดสินคดีมหาอํามาตหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งประหารและจองจำได้ท่านเหล่านี้ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายที่ชื่อว่าโจรได้แก่ผู้ที่ลักทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคาห้ามาศกบ้างเกินกว่าห้ามาศกบ้างโดยส่วนแห่งจิตคิจลักนี้ชื่อว่าโจรคาว่า ประหารบ้างได้แก่ประหารด้วยมือบ้างด้วยเท้าบ้างด้วยแทะบ้างด้วยหวายบ้างด้วยกระบองบ้างด้วยการตัดบ้างคำว่าจองจําบ้างได้แก่จองจําด้วยเครื่องจองจําคือเชือกบ้างคือคาบ้างโซ่ตรวนบ้างด้วยการกักขังในเรือนจําบ้างกักบริเวณในเมืองบ้างในหมู่บ้านบ้างในตาบลบ้าง ให้คนคอยควบคุมบ้างคำว่าในประเทศบ้างได้แก่ขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านบ้างจากตำบลบ้างจากเมืองบ้างจากชนบทบ้างจากประเทศบ้างคำว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนผ่านเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยนี้เป็นคำบริภาทที่ชื่อว่าเช่นนั้นคือหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้าง คำว่าผู้ถือเอาได้แก่ผู้ตู่ชิงช่อเคลื่อนไหวอริยาบททาให้ทรัพย์เคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายคําว่าแม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุรูปก่อนคําว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบ้าง ด้วยส่วนแห่งจิตคิดชักษรักย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักกยบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นปาราชิก ค, คำว่าหาสังวาดไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาดได้แก่กรรมที่ทาร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกัน